ไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยสะดุง้งระลมหายใจเข้าออกผู้ใดจเจริญใ้ชำนานถ้าเวลาห่างเหินออกจากลมหายใจเข้าออกมักจะสะดุ้งผวาพระพรุทธมรรคศาสดาบอกว่าท่านผู้ใดชอบตื่นชอบสะดุง้งเหมือนเนื้อสมังในป่าสติของเขาไม่จเจริญรสของเขาไม่จเจริญแล้วก็ เวลาไหนเราห่างเหินจากภาวนาบ้างเวลาตูมลงมากอย่างนี้นะ <c oughs> อะไรก็แก๊กก็ตื่นในเวลาเราไม่ห่างเหินจากภาวนาก็ไม่ค่อยสะดุ้งพี่น้องชาวกรุงเทพพระนครหลวงแล้วก็พวกชาวเหนือก็มีกำแพงเพชรด้วยที่ไหนก็เชียงใหม่เชียงใหม่ก็มา เคยมาแล้วอยู่ใกล้กันขอบฟ้าต่างฝ่ายต่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงอยู่ที่ใจได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยทำแลต่อไลวงพ่อสาธาจะอยู่ขอบฟ้าเรียนดินก็าตามถ้าถือศาสนาพุทธอยู่ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยทำแลอาหารอาหารพอสบายไม่ได้หรือมีอยู่ในท้อง นิดเดียวนะวันนี้มีอยู่ในท้องขนาดนี้ไหมอาหารวันนี้หิวไหมอาหารมีอาหารไหมวันนี้อาหารในท้องตอนค่ำมีบ้างนะคุณยายได้ทานกับเขาไหมอาหารได้ทานไหมคุณยายได้ทานไหมอาหารมีอาหารอยู่ในท้องไหมทังไว้าาออกได้ทานอาหารไหมวันนี้ ทานง่ายนะทานอยู่ที่นี่นะใครไม่อิ่มก็พรุพวนี้จึงกินแลวอัตามาก็ฉันมือเดียวมาหลายปีแล้วพุ่งนี้จึงรับทานพร้อมกันถ้ายังถ้าไม่อิม่มพาะคนโยมมันเอาเปรียบพระพระชันมือเดียวนี่ รูปเสียงกลิ่นรถโสดสะพะธรรมารมดินก็ไปหนุนดินน้ำก็ไปหนุนานา้ำเรารับฐานอาหารก็เรียกว่าดินไปหนุนดินเราดื่มน้ำก็เรียกว่าไปเพิ่มธาตุน้ำเราอาศัยเครื่องอบอุ่นก็ไปเพิ่มธาตุไฟเราหายใจเข้าออกก็ไปเพิ่มธาตุลมเรานึกเราสร้างบุญก็ไปเพิ่มเพิ่มบุญอยู่ที่ดวงใจเราสร้างบาปก็ไปเพิ่มบาปอยู่ที่ดวงใจ เราจเจริญอเ น, นจังทุกขรังอนัตตาหรือกรรมาฐานอะไรอันหนึ่งก็ไปสร้างมักสร้างผลดูที่ดวงใจมักกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุกับผลก็ไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตยุยินดีในพระพุทธพระธรรมประสงค์ ผลก็ยินดีในพระพุทธพระธรรมพระสงค์เหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุก็คือมรรคพืชก็คือมรรคมรรคแปลว่าเหตุพืชก็แปลว่าเหตุกรรมก็แปลว่าเหตุผลของกรรมผลของพืชผลของมรรคก็มีความหมายอันเดียวกัน ส่วนจะไปทางดีทางชั่วมันขึ้นอยู่กับเหตุพืชกรรมมักเป็นประมาณสร้างเหตุสร้างพืชสร้างมากักสร้างกรรมลงแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็จะตารับตามส่วนควรค่าของเหตุของพืชของมักของผลไปทางดีก็เหมือนกันไปทางชั่วก็เหมือนกันกําไรใครก่อก็คือมโนภาพเป็นผู้ก่อขึ้นในทางลลกุศลเอากุศลก็ดีทําบุญแล้วก็มาอยู่ที่ใจ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 ไม่ทานอมไรข้อสีละไมแระลึกเป็นอารมณ์อารมณ์ของผู้ทชื่อพระพุทธศาสนาเป็นอารมณ์ที่ไปในทางบุญเป็นส่วนมากถึงจะมีบาปบ้างมาสลับกันก็เป็นส่วนน้อยบุญแบ่งออกเป็นสองบุญในทางโลกีบุญในทางโลกุลกตระบาปก็แบ่งออกเป็นสองบาปในทางโลกี บาปในทางโลกุตระบาปในทวกทางโลกุตระมีอะไรบ้างอธิบายบาปพระสวัสดาบัลเป็นบาปที่เบาแล้วบาปของพระสวัสดาบาลไม่ถึงกับลงนรกเปตตวิสัยอสุรกายบาปพระจักรทาคามีควา ม, มือนกันบาปพระอนาคามีเป็นบาปที่ละเอียดมากราคะบาปขาดไปแล้ว โทสะบาตก็ขาดไปแล้วยังแต่โมหะนิดเดียวส่วนพระอรหันต์นั้นบาปก็ขาดไปแล้ ว, ดด ว, ว, นน บ, ลวบุญก็ขาดไปแล้วพระบุญก็สร้างพอแล้วพระบาปก็ละพอแล้วก็เลยเหนื้อบาตเหนื้อบุญไปสักบุญก็บวกบุญอยู่ที่ใจบาปก็บวกบาปอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่อื่น ผู้ถือผีก็บวกผีอยู่ที่ใจผู้ถือพรามก็บวกพรามอยู่ที่ใจผู้ถือไม่มีบุญมีบาปสิ่งที่ไม่มีบุญมีบาปก็ไปบวกใจก็คือนรกโกรกันตะนรกนั่นเองผู้ที่พิเศธบุญนพิเสธบาปคำพิเศษนั้นมันเป็นเสียงจอบเสียงเสียมหุดฝังตัวแล้วเรามาท่องเที่ยวในวัฏจักรงสาร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 ถ้าใช่นี่โกรธหลงของตนพอแล้วเราก็เข้าสู่พระิพานไปสักเขตของผู้ถือพระพุทธศาสนาเป็นเขตบุญเขตของผู้ไม่ถือพระพุทธศาสนาเป็นเขตบาปเป็นส่วนมากปันเทโตฆรมาวาสังบันพิษเป็นผู้คลองเรือนปันเทศเป็นผู้คอล อ, คองศีลครองธรรมก็ถูกศีลธรรมเบื้องต้น หมายสุพัฒปนูในทางฆราวาสก็หมายสุพัฒปนูเป็นเกณฑ์ในทางพระสุสัมเดชก็หมายสุพัฒปันูเป็นเกณฑ์ถ้าถึงสุพัฒปันูแล้วก็เป็นอบายะพูมิทั้งสี่ปิดประตูอบายะพูมิแล้วปิดประตูใจปิดประตูความประพฤติบาปอยาบๆละไปแล้วความหลงหยาบๆก็ละไปแล้ว โรภอยากหยาบๆยาบก็ละไปแล้วโกรธอยากหยาบๆยาบก็ละไปแล้วหลงอยากหยาบๆยาบก็ละไปแล้วพุทธโธชั้นต้นคือพุทธโธ ท, ที่มีศีล้าบริบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาต่ำกว่อนั้นลงมาก็เป็นโลกเกแต่ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ก็ต้องผ่านโลกีเสียก่อนถึงทังโลพุทธละการปฏิบัติศีลธรรม เ้าเราเรื่มใสในพระพุทธศาสนาพอแล้วก็ไม่เป็นของยากเพราะมันไม่เสียดายอยากลงละเมิดเองมันเช่นศินห้าอย่างนี้ถ้าเรื่มใสในพระพุทธศาสนาพอแล้วถ้าเห็นคุณในศีลห้าพอแล้วเห็นโทษในเรื่องที่ไม่มีศีลห้าเห็นคุณที่เห็นคุณที่มีสินห้าเห็นโทษที่ไม่ถึงพระพุทธรรมพระสงค์ เห็นคุณที่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็ต้องถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไม่กระด้างกระเดืองและพอใจด้วยทำไมจึงถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นเทพึงเพราะนั่นตื่นไหมพราะคำสอนใดในไตรโลกธาตุไม่สอนดีเหมือนพระพุทธศาสนาจึงยอมรับนับถือ พุทธมสงทรงอยู่ที่ใจพุทธโธแปลผู้รู้ละบาปบำเพ็ญบุญธรรมโมทรงไว้ซึ่งผู้ละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆก็ปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญตกลงพุทธโธธรรมโมสังโฆก็รวมพลนกันอยู่ที่ดวงใจเป็นเชือกสามเกลียวเหนี่ยวกันอยู่ที่ดวงใจศีลก็ตัดสินลงที่ดวงใจ สมาธิตั้งมั่นลงในที่ดวงใจปัญญารอบรู้ลงในที่ดวงใจเรารักษาศีลห้าเป็นภาวนาไหมเรารักษาศีลห้าก็เป็นภาวนาอยู่ศีลานุสติเราระลึกศีลของเราที่รักษาเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นภาวนาไหมก็พุทธาธรร ม, มาสังขานุสตินั่นเองนั่นพอระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอนุสติอยู่ในตัวแล้ว เราให้ทานก็เป็นจาคานุสตินึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วหรือกําลังจะบริจาคอยู่จิงเป็นที่ตั้งแห่งวกรร ม, มเพื่อบุญเรียกบุญกิจยาวัตถุก็มีอยู่สามยานทานไมัยบริสุทเร็จด้วยการบริจาคทานศีละไมายบริสุทเร็จด้วยการรักษาศีนภาวนาไมัยบริสุทเร็จด้วยการเจริญภาวนาถ้าขยายออกไปอีก เนบุญกิาวัตถุูตสิบด้วยนี่สี่อัปจายในไม้บุญสําเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ท่านผู้ใหญ่ข้อห้าเวียวัตจะไม่บุญสําเร็จด้วยการช่วยขนขวายในจิต ท, ที่ชอบข้อหกปฏิฐานในไมบุญสาเร็จด้วยการให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศให้ทอวทั้งใจโลกธาตุหรือให้วิรามาดาผู้ร่วงรับไปก็ดีหรือให้ญาติเพื่น้องที่ร่วงไปก็ดี หรให้ทั ain, pues air, ok ่วท ok ah ั้งใจโลกธาตุก็ดีเรียกเอาปฏิทานะไม่บนเส็จด้วยการสว้จนบนปัตตาโนโมทนาไมั่บนเสวะด้วยการอนุโมทนาส่วดมนต์เราอันุโมทนาสวดมนต์ด้วยใจก็ดีและมีอามิตรเป็นพยานก็ดีก็เป็นปัตตาโนโมทนาไม่ทั้งนั้นธรรมะสวนรค์ไมั่บนสําเร็จด้วยการฟังธรรมก็เป็นบุญขุมหนึ่งธรรมเทศนาไมั่บนสำเร็จด้วยการแสดงธรรม ก็เป็นบุญเอกขมหนึ่งแต่ละขมละขมก็ไหลลงอยู่ที่ใจหมดทิฏฐุชุกรรมการทําความเห็นให้ตรงเห็นว่ามีบาปมีบุญอันนี้ก็เป็นบุญกองหนึ่งไหลลงมาทั้งสิบทางแต่ละทางละทางก็ไหลลงสู่ใจหมดนั่นะเรียก ว, วัตถุที่ทําบุญเรียกว่าว บ, บุญคิดยาวัตถุสิบบุญคิดยาวัตถุสามก็มีทานะไมา่ศีลธรรมายัยภาวนาไมายัย ขยายออกไปก็เป็นบุญกิริยาวัตถุสิบวัตถุที่เราทําเวลาเราทําบุญตอนไหนบาปตอนนั้นก็ไม่มีเวลาเราทําบาปตอนไหนบุญตอนนั้นก็ไม่มีบุญบุญยังโจรเรหิตัวรังบุญโจรนําไปไม่ได้นําไปได้ยากอันอื่นโจรนําไปได้ส่วนบุญโจรนําไปไม่ได้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 ถ้าเราทำขึ้นบุญก็ไม่ได้อยู่กับตัววสุโอผู้หญิงไม่ได้อยู่ในตู้ในหีบภายนอกก็อยู่ในตู้ในหีบภายในคือใจใจใจใจในี่เองที่นี่จะให้ปารกอะไรก็ให้ขอให้พวกเพื่นอกบอกมาจะให้ปารกเรื่องภาวนาหรือปารกเรื่องอะไรบางท่านก็จะเทศไม่ถึงใจเออจะเทศ เท่านั้นเราฟังอยู่ที่ไหนก็ได้หรอกเดี๋ยวจะพูดอย่างนั้นเทอคนหมู่มากก็ลําบากเหมือนกันไม่รู้ว่าท่านผู้ใดต้องการขนาดไหนทํานาเมืองทํายากพราะหวานแต่พึ่งแต่ปือไม่รู้ว่าจะถูกตามความประสงค์ของท่านผู้ใดไม่ทราบก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ใดจะคัดค้องอยู่ในระดับใดขอให้มีสิทธิ์ปลารบเอา ท่านผู้ใดเคยภาวนาพุทโธยกมือขึ้นท่านผู้ใดเคยภาวนาหลายอันพุทโธก็เอากายคตาสติก็เอาความตายก็พิจารณาโอสารพัดเนี่ยออืสารพัดเนี่ยสารพัดก็ได้บุญสารพัดเหมือนกันนะ ไ, ไอท้ที่แท้ความจรงิงภาวนาอันไหนก็เป็นภาวนาพุทโธทั้งนั้น กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่าพิจารณาความตายก็ตามพิจารณาจาคาวิจารณาถึงทานก็ตามถึงศียลก็ตามภาวนาอันไหนอันไหนมันก็ถูกพุโทโธหมดเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุส ม, มาธิพระพุทธเจ้ามาสอนไว้นั่นถูกไหมโยงถึงกันหมดเมื่อถูกพุโทโธก็ถูกธรรมโมอยู่ในตัว เมื่อถูกธโมก็ถูกสังโฆอยู่ในตัวถูกโดยปริยายก็มีถูกโดยทางตรงก็มีกรรมฐานแต่และอย่างละอย่างส่งต่อพระนิพพานหมดพุทโธคำเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานเหมือนกันพุทโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเก็บ ไ, ไม่พามาตายพุทโธสอนให้เบื่อหน่ายใครมาในวัฏฏสงสาร ธรรมโมทรงไว้ซึ่งเบื่อหน่ายใครมาวมาในวัฏฏะสงสารสังโฆปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏฏะสงสารก็มีความหมายอันเดียวกันณนะโมก็เหมือนกันจะแปรณโมออกจนครบแปดเหมือนเสีพระธรรมขันธ์ก็ไม่ผิดโยงถึงกันได้ทั้งนั้นทุตโธจะแปลออกจนครบแปดเหมือนเีพระธรรมขันธ์ก็ไม่ผิดธรมโมจะแปลออก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 ชาติพิทุขาอย่างนี้คําเดียวท่านโยงถึงกันหมดทั่วทั้งไตโรคธาตุไตโรคธาตุจะมาคัดค้านเข้าไม่ได้ผมไม่มีความแก่ครับผมไม่มีความเก็บความตายคัดหรือที่ฉันไม่มีแก่เก็บตายครับว่าไม่มีใครจะคัดค้านได้เหตุนั้นจึงโยงหมดทั่วทั้งไตโรคธาตุคาสอนแต่และบทละบาทครบแปดหมื่นสีพระธรรมขันหมดเหมือนกําปั้นตีดิน ตีที่ไหนก็ถูกหมดตีอยู่ที่นี่ก็ถูกอเมริกาถูกรัสเซียเหมือนกันเพราะดินเป็นลักษณะแข็งของแข็งพิจารณาดินอันเดียวก็เห็นทั่วทั้งไต่โลกธาตุแล้วเพราะไต่โลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุดินน้ำพิจารณาน้ําอันเดียวก็ครบไต่โลกธาตุเพราะไต่โลกธาตุเต็มไปด้วยน้ําพิจารณาไฟอันเดียวก็ครบไต่โลกธาตุแล้วเพราะว่า โลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุไฟพิจารณาลมอันเดียวก็ควบใจโลกธาตุเพราะโลกธาตุเต็มไปด้วยลมนั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเดียวก็ควบใจโลกธาตุแล้วเพราะใจโลกธาตุอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นมันขึ้นอยู่กับปัญญาและสติของแต่ละท่านแต่ละคนกรรมฐานอันไหนก็ต้องดีหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราผู้ภาวนาพุทโท เป็นผู้ศรัทธาเฉลิมจริตทุกคนทุกคนก็ต้องภาวานาพุทโธหมดเหมือนกันก็เริ่มใส่ในวระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนเมื่อเริ่มใส่ในวระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้ ว, พพลวกุศลอื่นๆที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นเพราะมีศรัทธาเฉลิมแล้วศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ ทรัพย์ในดินสินในน้ําสังหาที่มาทรัพย์ก็ดีอสังหาที่มาทัพย์ก็ดีวิญญาณกะกับทรัพย์ก็ดีสัวิญญาณกะกับทรัพย์ก็ดีที่เต็มไตรโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธธรรมประสงค์หมดเป็นสมบัติของพระพุทธธรรมประสงค์หมดพระท่านเหล่านั้นท่านได้คายออกแล้วเหมือนน้าลายพบื่อทิ้งแล้วพูดถึงพระรหนัน แต่ผู้ยังไม่ถึงพระอานก็ต้องอาศัยวัตถุนิยมนี่เสียก่อนปัจจัยพีกีวานบินทบาตเสนาสนะและเภสัชอาศัยเพื่อจะปฏิบัติเพื่อบรรทุกในวัฏจัก ร, รงศารไม่ได้อาศัยเพื่อจะมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ในวัฏจักรสงสารนี่อันมูนี่มูนี่มูนี่มูนี่โอนเป็นเครื่องบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมดไม่ได้โอนเป็นเครื่องบูชาเกเลสของพวกเราทั้งหลาย ในใจลอกกรทาเน่ยโอนเป็นเครื่องบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดแล้วเหลือนี้นะพวกเรามาเล็มมาเรียนน้ำลายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธแท้ทำแท้สงแท้ท่านเข้าสู่พระพานไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่พวกเราที่เป็นสงสมุติกําลังจะเดินตามท่านเดินตามมรดก ข, ของท่าน กุติวิหารซาลาอะไรก็เป็นมรดกของท่านโมนี่ก็าเป็นของท่านเน่ยพวกคุณเห็นแก่หน้าฆ่าซื้อพระพุทธธรรมพระสงค์เอามาให้แ like right. ค่ไม่เนี่ยนั่นนี่ก็คุณพระพุทธระธรรมพระสงค์มาเนะห่อกระดูกอยู่นี่นี่แะพระสารีบ <im varios> ุตรเดินจงกรมกลับไปกลับมามากราบทูลพระบรมศาสดาข้าพระองค์และลึกถึงผลของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณพระองค์เอ๋ย ถึงจะยดลงมาเป็นพระวิสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณก็ตามแต่ใหญ่หลวงหาที่จะวางก็ไม่ได้ถ้าจะขยายออกก็ไม่มีสิ่งที่จะขยายเพราะเต็มไปด้วยไตรโรกธาตุไตรจักรวาลเสียแล้วหาประมาณไม่ได้พระองค์เอ๋ยเออเธอเป็นคนมีปัญญามากเธอก็ระลึกมากได้สิผู้มีปัญญาน้อยก็ระลึกได้น้อยเหมือนผู้มี เชือกสั้นก็ถึงได้ใกล้ผู้มีเชือกยาวก็ขึงได้ไกลผู้มีปัญญามากก็ระลึกได้มากจะระลึกอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่หมดสารีหมดเอ๋ยเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ต้องระลึกได้มากเสีพระพรทธองคศาสดาเพราะความรู้มันไม่จบอยู่กับท่านผู้ใดไม่มีผู้ใดจะผูกขาดจองขาดไว้เหตุฉะนั้นการแตกฉาดเนี่ยไปสัมพิทาสี จึงมีในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสตล า, า, าพ น, นุทธธรรมโมก็เหมือนกันก็ไม่มีประมาณเหมือนกันเหตุฉะนั้นท่านจึงยืนยันว่าอัปปามโนพุทโธอัปปามโนธรรมโมอัปปามโนสร้างโธประมาณนวันตานี้สิริงสปานี้อริวิเชกาสตาปฏิอุต น, นาปิสตาภูมิเชกาประมาณอันอืนอ่นๆมีจิ่งจกทุกแกหรืออะไรต่ออะไรย่อมมีประมาณ คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่มีประมาณเละถึงจะย่ดลงมาเป็นหนึ่งก็ตามเพระใหญ่โตโหถานในเอกปัจจุบันคุณก็ตามหาที่จะวางไม่ได้พระใหญ่โตโหถานจะเทียบในทางกว้างก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางลึกซึ้งก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางสูงก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางแหลมคมก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางหนัก ก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางเบาก็เบาเหิวไม่มีประมาณไม่มีอะไรจะมาเทียบได้คุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณท่านผู้มีคุณคุณเทวุทรเทวดาอินรมพยมพระกาลเจตโลกบาลทั้งสี่สัพพคุณในไตโรคธาตุเป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมด คนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเมืองขึ้นของคนพะนิพานเพราะไปรวมคิวกันอยู่เท่นั้นพุทธแท้ทำแท้สงแท้ก็ไปรวมคิวกันอยู่ที่พันิยปนนั่นทท น, น, น, นั่ น, น, นคำสอนใดๆในไตโรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนของ พ, พุทธศาสนาทั้งนั้นคือพระธรรมไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และท่านผู้ไม่รู้ เป็นจริงอยู่ไม่มีกลาวันกลางคืนมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้จะเอาทรัพย์แผ่นดินที่ไหนเต็มไตโลกธาตุมาเทียบกับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเลยคุณเบิดามันดาปุญตาตาทวดก็โอนขึ้นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วคุณเบิดามันดาเปรียบเหมือนคุณพระหลานก็โอนขึ้นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพรมศาสดาก็สอนคุณของเบิดามันดาเปรียบเหมือนคุณพระหลาน ท่านผู้ใดประมาทท่านผู้นั้นไม่เจริญเราเกิดมาในพวกใดชาติใดเราไม่ทิ้งคุณเมนามานดาเลยพระบรมชาสดาชาติเป็นคนหาปืนขายเราก็ไม่ลืมคุณเมดามานดาเราก็แบ่งไว้เป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปให้มูเหา่าเพราะเอาไปให้ภรรยาถ้าไม่ได้มันก็หาพ่อฟ ส่วนหนึ่งเอาไปใช้นี่คือให้เวลามานาส่วนหนึ่งเอาไปทิ้งใส่ทะเลหลวงคือเอาไปใส่ปากใส่ท่องส่วนหนึ่งเอาไปฝากไว้ในพระคลังสมบัติคือเอาไปบริจาคทานในพระพุทธศาสนาแ บ, บ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วเกิดมาพบใดข้ามใดไม่เคยทิ้งทานวัดศีลวัดภาวนาวัดเลยพระบรมศาสดา ได้ไปเคยทิ้งวิดามานาเลยชาติเป็นนกแขกก็ไปคาบเอรวงข้าวที่ชาวนาทําตกหลน่นมาให้วิดามานากินชาติเป็นลิงก็ไปหาผ ล, ลไม้มาให้วิดามานากินชาติเป็นโคเป็นกระบือไปพบหญา้าที่ไหนงามก็กินวนเวียนอยู่ พอเมดามานากินไปถึงก็ให้อนัต ส, สัญญาณกินแล้วก็ไปหากินที่อื่นอีกคุณของเมดาม า, ากินปรียบเหมือนคุณของพระธานเมื่อท่านแก่เท่าชร า, าการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจด้วยพระชนกคนเนเมพระเดชได้พกเกตเกสามาจนใหญ่วุ้มอุทธรป้อนข้าวเป็นเท่าไหร่หมายจะได้พึ่งพาธิดาดวถ้าเราดีมีขิดอุปถัมภ์ บุญล่ำเลิศเท่ากระพูเขาหลวงจะปรากฏยอดยิ่งสิ่งทั้งพวงจนกว่าจะล่วงลุถึงซึ่งพระนารศนาบุตรที่ไปเรี่ยงเิดามารดามีในพระพุทธศาสนากล่าวคาถาด่าลูกชายและด่าลูกหญิงเรี่ยงบทสุดแน่น้อยนักไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมาย คุณไม่เท่าพ่อนี้มีมากมายในขั้ากายย่างย่องจ้องกดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไตรสถานเพื่อพบพผานชัดร้ายจะวายวุ่นไม่เท่าปัดวัดเหวี่ยงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยเช่นเขาพูดเจราจาการเกลืน่นเขาพูดเจราจาการเกลื่อนอยู่เช่นลูกขี้กากูชาวข้าเอ๋ยถ้าเป็นลูกก็จะเป็นลูกดีๆอย่าเป็นลูกขี้กา ให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่ทําว่าอย่างนั้นหรอลูกชีกาที่มันเป็นผลอย่างแดงมันสุกขมขมกมกลมคณเวดามานาปุยาตาทวดก็โอนขึ้นถุงคุณพระพุทธธรรมงส์จนถึงพระเนรพลเหมือนกันด้านคณเวดามานาพวกจีนเขาเถือเคร่งเหตุฉะนั้นคนจีนจึงไม่ค่อยจะตกทุกข์ได้ยากเพราะเขารับเวดามานาเก่ง มาตาเปตุปัฏฐานะเขาลบีดามานาเอตมังคารมุตตมังปฏิบัติบีดามานาทีนี้ถ้าเร า, าเราจะไปทางรัทธิเราจะปฏิบัติเพื่อไปทางรัทธิกามฐานในไตรลักษณ์นี่ยไปรวมอยู่ที่รูปกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปกรรมฐานเพ่งอารมณ์ปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอารมณกรรมฐาน กรมาฐานแต่ละอย่างละอย่างก็ไปรวมอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตารวมคิวไปรวมที่พัฒนาอยู่ที่นั้นได้ในใ น, ในโลกล้วนอนิจจังได้ใน ใ, นในโลกล้วนทุกขงังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเห็นพร่อมกลบลมหายใจเข้าออกยิ่งดีใครสงสัยอะไรก็ปาลบมาสิเรื่องภาวนา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 ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาพระสัตว์ทั้งหลายชอบเล็งแลดูรูปพระบรมชาตนจาราทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูพระสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบดมกลิ่นสัตว์ทั้งหลายทำไมถึงมีลิ้นก็เพราะชอบลิ้มรสทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกาย เพราะต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดในธรรมารมส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วท่านมีตาท่านก็ไม่ได้ติดอยู่ในตาท่านมีหูท่านก็ไม่ติดอยู่ในหูเพราะรู้ตาเป็นจริงของหูของจมูกของเล่นของกายของใจ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 รูกก็คือดินน้ำไฟลมชงกันเป็นกายเรียกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าก็เป็นนามพูดเป็นขันห้าอันนั้นพูดเป็นหกก็พูดอันเก่าตาหูจมูกเล่นกายใจตาหูจมูกเล่นกายยน่นลงมาเป็นลูกขันคือดินน้ําไฟลมชงกันเป็นกายเรียกว่าลูกใจย่นเป็นนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่น จริงเรานี่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแล้แตกสลายไม่ตั้งอยู่ได้เลยพระสูตรก็สูตรของกายกับใจถ้าว่าเป็นสองถ้าว่าเป็นสามก็สูตรกายวาจายใจถ้าว่าเป็นสี่ก็อริยสัจสี่หรือธาตุสี่ถ้าว่าเป็นห้าก็ขันห้า 4. ถ้าว่าเป็นหกก็อายตนะภายในภายนอกหกถ้าว่าเป็ น, 6, น, าา น, นเจ็ดก็สัตตะหะคือหมวดเจ็ดสิ่งที่สงเคราะห์เข้าเป็นเจ็ด ถ้าเป็นแปะก็อัธกะคือหมอดแปะโลกกระทำแปะก็ดีอัธังขิกรรมะค้าแปะก็ดีที่นี่ย่นสิงทั้งหลายเหล่านั้นลงมาเป็นหนึ่งสัลงมาเป็นเอกานิบาทสัก ja. ีนย่นลงมาเป็นเอกาศีลในปัจจุบันสักสมาธิย่นลงมาในเป็นเอกาธิในปัจจุบันสะปัญญาย่นลงมาเป็นปัญญาในปัจจุบันสะตบกลงศีลสมาธิปัญญา กรงกืนกันเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่ดวงใจของเราไม่ต้องหาเพราะเห็นอยู่ยิ่งหาก็ยิ่งไม่เห็นสิ้นห้าถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวเหนียวอยู่ที่ใจผู้ถึงพระโสดาบันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่เสียดายอยากเล่นอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่น ไม่เสียดายอยากจระถือเวทมนตรนคาถาไม่เสียดายอยากจระสาบแช่งท่านผู้ใดถ้าเขาทำผิดจนน้ำตาไหลกว่าตาจะไม่ผูกเวรอาฆาต จ, จองเวรผูกไกลเก็บไม่มีในพระโสดาวันเหตุฉะนั้นท่านจึงปิดอบายพะผูมทั้งสีได้นัดจะยืนเดินนั่งนอนภาวนาจนขมผมขุนขม หลน่นก็ตามอดอาหารจนร่างกายเหี่ยวแห้งตายคากันก็าตามแต่ว่าถ้าเสียดาอยากล่วงละเมิดชิ้นหอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบันถ้าเสียดาอยากเล่นอบายามุกอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบันต้องเห็นโทษในอบายามุกสิ่งไหนที่เห็นโทษพอแล้วสิ่งนั่นก็ไม่เสียดาอยากล่วงละเมิด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 พุทโธมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าถ้าจับลมหายใจเข้าออกแล้วกรรมฐานแปดหมื่นชีวพันพักกรรมฐานก็มารวมอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดึงถึงกันหมดทัพลโลกทั้งปวงรวมลงมาในเ อ, เอกะโซกในปัจจุบันครับท่านผู้พ้นทุกข์ในวัฏฏสงศารเลยท่านไม่ติดอยู่ในอดีตไม่ติดอยู่ในอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วย ท่านพิจารณากายลงสู่อนัตตาธรรมเป็นแต่สักว่ากายพิจารณาเวทนาลงสู่อนัตตาธรรมเป็นแต่สักว่าเวทนาพิจารณาจิตลงสู่อนัตตาธรรมเป็นแต่สักว่าจิตพิจารณาธรรมลงสู่อนัตตาธรรมเป็นแต่สักว่าธรรมท่านผู้สร้างบารมีแจกล้ามาแล้วท่านก็ไปทางลัดเลยอดีตคืออะไรคือผู้ลู่ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้ลู่ที่ยังไ未来มาถึง ปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่เป็นแต่ักว่ารู้เท่านั้นไม่สําคัญว่าผู้รู้เป็นตนไม่สําคัญตนเราเป็นผู้รู้พอ่อกอบลมหายใจเข้าออกไม่สําคัญว่าอาดีตเป็นตนตนเป็นอดีตพอ่อผอบลมหายใจเข้าออกไม่สําคัญว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตพ่อมกอบลมหายใจเข้าออกไม่สําคัญว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันพ่อกอบลมหายใจเข้าออกก็ทําลายอุปาทานแตกกระเจิงวิทาตัญหา อุปาทานสังขารเวท ญ, ญาณ น, นามรูปอายตนะภัตตะอะไรต่ออะไรแตกกระจิงไปหมดพระไม่มีอุปาทานใดๆเหตุก็ไม่มีผลก็ไม่มีท่านผู้สร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วบางท่านก็บอกว่าดิฉันภาวนาไม่ข้ามเวทนาเลยเวทนาทุกข์ข้ามไม่ได้แล้วปู่จะว่ายังไงเออ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 ถ้าสำคัญว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตก็ข้ามอนาคตไม่ได้เองโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันพระอรหันต์ท่านข้ามไปแล้วเพราท่านมายืนยันว่าติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยถ้านรู้ตามเป็นจริงเมื่อรู้ตามเป็นจริงตอนไหนตอนนั้นมันก็สลายไปเองไม่ได้ทําท่า ท, ทําทางวางมันบางท่านบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางอันนั้นเป็นสมมุติ ถ้ารู้ตาเป็นจริงมันปล่อยมันเองมันวางมันเองเช่นเราลืมตาขึ้นมันปล่อยวางเมื่อดเองเราไม่ได้ทําจิริยาวางมันทเนี้ท่านผู้ใดสงสัยอะไรก็าถามสะพูดสะเดี๋ยวเดียเอาหนังสือมาแจกไว้ลืมไปลืมไปลืมไปหนังสือมาแกกนักละเอาของไครของมันเอาหนังสือเอาตําราภายนอกมาแกก นังสือก็คือตำราภายนอกตัวหนังสือแท้ๆก็อยู่ที่ใจ <laughs> ตำรายาอยู่ภายนอกตำรายาภายในก็อยู่ที่ใจ <laughs> เอาหนังสือมา <c oughs> อันมนี้ก็ยังมาแล้วไงเมื่อจะพูดทีนี้รักษาคนแก่บ้างเนะถ้าเวลาทั้นปวด อุจลาราปัสสะคนหนุมต้องพาไปนะเดี๋ยวพาลมเน้อเอตานังอุปกาปฏิอิสิตังปฏิตังตุมหังยิปเมวัสเมชจดุสเพภูเรนดุสังกปา จันโทปนาาสัสโวยะธาโมนิโสธิตาโสยะธาสพิตโ ย, ยวันโทสัพพะทุคปปะปปะ โ, โคสัพพายโยสัพพโอโคยนัะตุมาแต่ภาวัจจันตารโยสุขีตีขาโยโคภาวะอภิวาสนาสีเรสนิจังุทาปจายูยะตาโรธรรมาวัฏฐานติายุวนโนสุขังพรลังสัพพุทาโนภาเวนะสัพพธรมนุภาเวนะ สัพสังฆานุภาเวนะพุทธัตระนางธรรมตรนางสั้งครัตตนางกินนางระตานังอาโนภาเวนะจตุราสีติสาธรรมกันธาโนภาเวนะพิเตกาตยานุภาเวนะชินาสาวาคาโุภาเวนะสเปเตโรคาสเปเตพยาสเปเตอันตรายาสเปเตอุภัตตวาสรรมเพชสเปเตพุนนมิตราสเปเตอวังคราเวนะสันตุยุทธะโกทกาธนวัตโกทกาเสววัตโกตกายะสวะวัตโกตกาประวัตโกตกา มณวัตตะโกตากาสุข้ตะโกตะตาตกาโหตุสปทาทุกรโรคปยาเวลาโ ส, าาสากาสตุจกตวาอเนกาอตรายาผิเวเณรสรัตุจเตสาสัญญสิทธิทักังลาภังโสธีภาคยังสุขังปังสิรินน อ, ธธาาอายุจันโนจะโพคังวุฒิจยาสวัสดธรรมสาจะอายุะชีวิสิทธิพระวันตุเตที่นี้จะว่ามงคลจักกวาลใหญ่อีกอันนี้เป็นมงคลจักกวานน้อย สิทิทิฏมติเตโชยิยสิทมหิตมัทธะผนัปริมิตาปุญญาติการัศมีสัพันธาริวานารัสมัตตาทะนกามตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะตัวเตินสามหาปิสรกานุภาเวนะสีติญายัญชนะนภาเวนะอตุตระตะมังครานุภาเวนะชัพนังสีานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะสานามานภาเวนะทสพานมตานภาเวนะสัตตะปมัานภาวนะสีัตมาทิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุภาเวนะตมานุภาเวนะสังคานภาเวนะเตานภาเวนะอิทานุภาเวนะ พระานุภาเวนะยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติการธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตะธรรมานุภาเวนะรัตถังขิกรมกานุาเวนะอัตสมาปัญาณุภาเวนะชลพญญาณุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทสภรยานานุาเวนะสัพญติาานุภาเวนะเมตตากรุณาเตตาเปียานุภาเวนะสัพพริตานุภาเวนะรัตนะตยะสนานุภาเวนะ ตัยังสกโนกัสโภวทวะสภโสายาสิวนสันตุสัอันตรายาปิวนสันตุสัพพะสังกปาตัวยังสเบจันตุที่คายุตาตัวยังโหณตุสตาวัฏฐชีเวนสัมังโคสโกหตุสัพพาอากาสัพพะปตะวะนะภูมิคังคามหสมุทาอากกาเทวตาสตาตุมให้อนาคันตุภวตุสัพพะมังคัคันสเทวตาสัพพุทานภาเวนะสตาสเตภวันโตเตภวตุสัพพะมังคังคันสเทวตาสัพพัมานุา พาเวนะสัทธาโสตถีพวันตุเตเพราะว่าตัสัสพพังค า, า, ารมขันตุสัพเทวตาสพะสร้างคาโนพาเวนะสัทธาโสตถีพวันตุเตอยู่ทั้งว่าไม่เป็นประมาณนั้นเถิดพุทโธตโมสังโขนิพพานให้พรเพื่อพระเนพานมงคลจักรวาลน้อยก็เอามงคลจักรวาลใหญ่ก็เอาครบพระใจพิโกมงคลจักรวาลน้อยก็คบพระใจพิโกมงคลจักรวาลใหญ่ก็คบพระใจพิโกเหมือนกัน จะตัราศีติสารธรรมกันธาตุาเวนะคุณแปดหมื่นเศวัตธรรมขันธ์ทีนี่อเอาเอหนังสือมาแกะอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรอนัตตาธรรมที่ไม่มีใครอนัตตาธรรมที่ไม่มีศัตรูเมตจนจะสัพโรคัตถมิง ม, มาลสัมพา ว, วีปรติมาลังเป็นอัปปมัญญาแหย่เมตตาจนลงถึงอนัตตาธรรม เดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็อาจจะนึกถึงเมตตาได้เพียงนั้นในกรณียไมตตาสูตรสยานุวาโะตสาวิตรสาวิโตเอตังสติงอาทิยะพรเมตังมิหารังอิมาหูยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็อาจะนึกถึงเมตตาได้เพียงนั้นมีสติและนึกถึงเมตตาได้เพียงนั้น อนุปกรมรมมาซีละวานั่นเป็นตัวศีลนัตเซสัมปโนเป็นผู้เห็นความเลยกามีสุวิในยเยเจทางนาคิชาตุกับพระเสี้ยงปุรีตีตีย่อมไปมาเกิดในคันอีกโดยแท่ทีเดียว <c ười> ขึ้นไปเกิดในภมโลกขึ้นไปทพุตเถอ เ, เราจากํำจิตให้บันเทือหายใจเข้าเราจะ จิตให้บรรเทาหายใจออกเราจะบรู้แจ้ก็ิตหายใจเข้าเราจะบรู้แจ้งจิตหายใจออกเราจะตั้งจิตหายใจเข้าเราจะตั้งจิตหายใจออกเราจะเพื่อจิตหายใจเข้าเราจะเพื่อจิตหายใจออกเราจับ พิจารณาเนืองโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าเราจะพิจารณาเนืองโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกเราจะเห็นความเกิดขึ้นแปรปวนและดับไปในลมหายใจเข้าเราจะเห็นความเกิดขึ้นแปรปวนดับไปในลมหายใจออกเราจะเห็นว่าเป็นแต่สักว่าลมหายใจเข้า เราจักเห็นเป็นแต่สักว่าลมหายใจออกเราจักเห็นแต่สักว่าจิตหายใจเข้าเราจักเห็นแต่ว่าสักว่าจิตหายใจออกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหายใจออกหายใจเขา้าก็มาฐานแต่และอย่างละอย่างมันมารวมลวมหายใจเข้าออกหมดพุทโธห้องกับ ล, หออลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออก ดึงกาา 8, ร, รรมฐานแปดหมื่นสีพุทธมัขันมาอยู่ได้เหมือนกันนิมิตรอื่นๆจะมาเกยมาพ่าสักเพียงไหนก็ตามนิมิตรแปลว่าเครื่องหมายมันเกิดขึ้นมันก็แตกสลายไปแล้วแม่ลมหายใจเข้าออกก็เกิดดับเป็นคณะจิตที่รู้ว่าลมลมก็เกิดดับเป็นเหมือนกันนันแต่คุณพุทธธรรมสงฆ์มันจะเกิดดับไปไหนเกิดดับเป็นแต่ผู้ภาวนาขาดขาดเวทเวนั่นเอง วารกรรมพุทโธพุทโธนั้นเกิดดับเป็นเพราะเป็นวิจีสังขารกับจิตตสังขารแต่คุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เกิดดับไปไหนเป็นอนัตตาคุณอันไม่เกิดไม่ดับนะครับอนัตตาบาเป็นอนัตตาฝ่ายเว้นอนัตตาบุญเป็นอนัตตาฝ่ายที่ควรจเจริญอัตตาอนัตตามักเป็นฝ่ายจเจริญอนัตตาในโรดเป็นฝ่ายทําให้แจ้งทุกเป็นอนัตตาที่ควรกําหนดรู้ สมุทัยเป็นอนัตตาที่ควรเว้นมักเป็นอนัตตาที่ควรเจริญให้เกิดให้มีนิโรธเป็นอนัตตาที่ควรทําให้แก่เมื่อเราพิจารณาทุกขเป็นอารมณ์อยู่สมุทัยและตัณหาก็ห้ามเบรกไปในตัวไม่ใช่ว่าพิจารณาทุกแล้วก็พิจารณาสมุทัยแล้วก็พิจารนามักแล้วก็พิจารณานิโรธอันนั้นไม่ใช่ไปียงนั้นเมื่อเราพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมุทยัยความเทเอต ย, ยนาน มันก็อดับไปมันก็เบาลงตัณหาก็สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เบาลงตัณหาความทะยานทยานมันก็เบาลงมรรคมันก็เจริญไปในตัวนิโรธมันก็ทำให้แจ้งไปในตัวของอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสัยฉันทะพอใจและค่กายกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรบรนประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจพักไปในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิมังษามันติตรองพิจาราเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วชักนําบุคคลได้ถึงสิ่งที่ต้องจงประสงค์เสมอเวลาวิสัยศรัธทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไม่ต้องสงสยัยสิ้นสมาธิปัญญาศรัธทาธาสติวิทยะสมาธิอยู่ด้วยกันเป็นเชือก ขากลียวเป็นพลังเป็นพลังธรรมพักพลังธรรมพักพลังธรรมก็คือศรัทธาความเชื่อวิทยาความเพียรสติความได้สมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญาความรับรู้นั่นเองเรียกว่าพักพลังธรรมไม่ใช่พักพลังธรรมจะไปเดินขบวนเหมือนเขาไม่ใ ช, ใช่พักพลังธรรมันจะไปฆ่ากันอั น, นั้นเขาใส่ชื่อเฉยๆหรอกอัะ รัฐบาลเพื่อคนทุกข์ในวัฏฏะสงสารปัญหาไม่มากเดินทางรัดเลยไม่ต้องวุ่นกับนิมิตมากนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตทั้งหลายเกิดขึ้นและแปลผวน่าแต่สลายเป็นนิมิตทั้งหลายอยู่ ใ, ใต้อำนาจอานิจจังพิจน า, นารณาลงสู่อนิจจังทุกขั้งอนัตตาไปในทางรัดเลยเพราะเหตุใดเพราะจานานในสมาธิมาแล้ว สมาธิตั้งมั่นทำนานี้ทําให้เป็นสุญญตาสมาธิอันนี้มิตรสมาธิอัปนิหิตตสมาธิสุญญตาสมาธิคือพิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์อันนี้มิตรสมาธิคือพิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์เหมือนกันอภินิหิตตสมาธิเพราอมันว่างไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลก็พิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์เหมือนกันอันเดียวกันอดีตคืออะไรคือผู้รู่ที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ยถาโพตังสัมมัตปัญญาย า, ยาทัตทัพังจงรู้ตามเป็นจริงในปัจจุบันจงปฏิบัติตามเป็นจริงในปัจจุบันจงลุดพ้นจากความสงสัยของตนตามเป็นจริงในปัจจุบันเถิดนะข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามผู้รู้ด้วยความไม่ติดอยู่ในผู้รู้ข้ามอาดีตด้วยไม่สำคัญตนมาเป็นอดีต ไม่สำคัญว่าอดีตเป็นตนข้ามอนาคตด้วยไม่สำคัญว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตข้ามปัจจุบันด้วยสำคัญตนว่าไม่เป็นปัจจุบันปัจจุบันไม่เป็นตนข้ามดินไม่สำคัญว่าดินเป็นตนตนเป็นดินข้ามน้าด้วยไม่สำคัญตนว่าเป็นน้ำน้าเป็นตนข้ามไฟไม่สำคัญว่าไฟเป็นตนตนเป็นไฟข้ามลมด้วยไม่สาคัญว่าลมเป็นตนตนเป็นลม ย้นโลกลงมาเท่าปลายเข็มยัดเยียดถึงขนาดนั้นโลกจักรวาลก็เหมือนกันยัดเยียดถึงขนาดนั้นแล้วไม่สาคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่อะันก็หมดเรื่องกันเป็นแตสักว่าดินน้ำไฟลมเป็นแตสักว่าลูกขันน้ำขันส่งคืนซะสมมติก็ส่งคืนให้ส ม, มุติเวมุติก็ส่งคืนให้เวมุตซะ อัตตาก็ส่งคืนให้อัตตาอนัตตาก็ส่งคืนให้อนาตตาไม่ไปกี่ไปพ่นเอาอัตตามาเป็นตนตนเป็นอัตตาไม่ไปที่ไปพ่นเอาอนัตตามาเป็นตนตนเป็นอนัตตาอนัตากับอัตตาไม่ได้เป็นสงครามกันแต่ปัญหาเราไม่รู้เท่าอัตตาอนัตตาเราก็เป็นปัญหากับความหลงของเราต่างหากนับอาศัยปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญา าสายปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวแปดหมื่นสีพระธรรมขันเป็นตัวยอดกันพระไตรปิฎกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารวมอยู่ที่ในปัจจุบันเลยเอาแปดหมื่นสีพระธรรมขันร ว, รวมในปัจจุบันเอาศีลสมาธิปัญญารวมในปัจจุบันเป็นเครื่องเดินข้ามทะเลหลงชนะความหลงได้วความไม่หลง ชนะความเกียรติข้า้นด้วยความไม่เกียรติข้า้นชนะความลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทำด้วยความไม่ลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทำชนะความเพลินในโลกทางปวงด้วยความไม่เพลินในโลกทางปวงชนะโลกด้วยความไม่ยินดีในโลกแบบเย็นเย็นชนะสังขารด้วยความไม่ยินดีในสังขารแบบเย็นเย็นลาลูกพระเนพานตามเป็นจริงของพระเนปาน เรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองภาวะลมศาสดาเรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมุติเรารู้วิมุติตามเป็นจริงของวิมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้า er เราติดอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็เรียกว่าเราไม่รู้จากเงื่อนนั้นถ้าเราติดอยู่ในสมมติก็เรียกว่าเราไม่รู้สมมุติถ้าเราติดอยู่ในวิมุติก็เรียกว่าเราไม่รู้วิมุติ ถ้าเราติดอยู่ในพระิ涅槃ก็เรียกว่าเราไม่รู้พระานถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารถ้าเราติดอยู่ในสิ่งที่สุสูนก็เรียกว่าเราไม่รู้จักสิ่งสุสูนเราไม่ติดอะไรเลยในโลกทั้งนี้ยาเสพติดของเราละงับไปด้วยพระปัญญาญาณอันทองแทสัะพลมัสสานตต่ำกว่าพระอรหันต์ลงมาก็มียาเสพติดยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดเป็นยาเสพติด ผู้ยังถืออุปท า, านอยู่ทั้งนั้นถ้าผู้พ้นจากอุปท า, านไปแล้วไม่มีสิ่งที่ติดเหมือนนกบินในอากาศบินวันยังค่ำก็ไม่มีรอยเห็นแต่ตัวของมันรอยของมันไม่เห็นเสียแล้วดินน้าไฟลมเป็นจริงตามสมมุติไม่ต้องคัดข้าแต่มันก็ไม่ได้ยืนยันราะมันเป็นดินมันไม่ได้ยืนยันเราะมันเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลม แต่เราใส่ชื่อเรือนามเพื่อให้รู้จักความหมายกันตามันก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นตาแต่เราใส่ชื่อเรือนามให้รู้จักความหมายกันหูมันก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นหูและมันก็ไม่ปฏิเสธด้วยจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันมันไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นหรือมันไม่เป็นลูกขันมันก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นลูกขันแต่อาศัยที่เราบรรยักษ์นฉะนั้นท่านจึงบอกว่าฉะปัญญัติโย ชะก็แปลว่าหกตาหูจมูกเล่นกายกาขันธะปัญยติขันธ์ห้าูกเวทนาขัญญาสัง ข, ขาเป็นอางอายัตระพัญยติอายตระภายในเมตตาเป็นต้นอายัตระภายนอกมีรูปเป็นต้นตาหูจมูกเล่นกายใจรูปเสียงเขียนรถโพธิภพธรรมารมจิตาตาวตาภูคารานางังภูคาระปัญยติก็บัญญัตบิบุคคลบุคคลผู้ชนคนหนาว่ า, า บ, บุคคลเป็นพระสสดาบาลบ้างสักคาคามีบ้างอนาคามีบ้าง อรหันบ้างแล้วก็พุฆระปัญญติแล้วบัญญัติธรรมที่กำเริบและไม่กำเริบสัมยาวยมุตโตสัมยาวยมุตโตวิมุตติกำเริบแล้วไม่กำเริบกุปปธรรมโอกุปปธรรมกุปปาธรรมอกุปปาธรรมกำไม่ทำไม่กำเริบทัดบัญญัติหลายอย่างบัญญัติก็ยอดลงมาหาเอกะบัญญัติสมมุติกิยอดลงมาหาเอกะสมมติ ไม่มุดก็ย่นลงมาหาเอกะไม่มุดเหมือนกันถ้าย่นสมมติก็ย่นไม่มุดเหมือนกันถ้าย่นสังขารก็ย่นสิ่งที่ไม่เป็นสังขารเหมือนกันย่นลงมาหาใจจะน้อยก็น้อยออกมาจากใจจะมากก็มากออกไปจากใจใจก็เป็นแต่สักว่าใจสะถ้าใจไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็ไม่มีโทษผู้รู้ไม่มีผู้ใดไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของผู้รู้ก็ไม่มีโทษ ผู้นั้นก็ไม่มีโทษได้ผู้รู้จงทําจิตแแท่ว่างตจงทําเหตุแแท่ว่างคื อ, อยังไงคือไม่ยืนยันว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ว่างเท่านั้นถ้ายืนยันว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็ไม่ว่างก็ไม่ว่าแต่กิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันถ้ายืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุนมมคคลมันก็ไม่ว่างเหมือนกันนักนักเราภาวนาเพื่อรุธเพืพ่อพ้นเมื่อได้ปฏิบัติเพื่อหลอกอกินขนมท่านพ่อให ปฏิบัตเพื่อพันทุกในวัฏสงสารนักทําไมจึ ง, งยืนยันอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าบาลมีของพวกเราเก่กล้ามาแล้วแล้วก็ยืนยันสิปัจจุบันนกจิตปัจจุบันธรรมมันนั่นเองที่เรียกว่าปัจจุบันาชาตินั่นอัตจักิตอัตรธรรมอดีตนั่นเองที่เรียกว่าอาีตชาติจิตที่ยังไม่มาถึงในอนาคตนั่นเองที่เรียกว่า อนาคตชาตินันมองไปไหนก็เห็นแต่สังขารในโลกเพราะมันมีแต่สังขารพระนิพพานไม่ได้มาอยู่ในโลกมองไปที่ไหนก็เห็นแต่สังขารกายสังขารวเจสังขารจิตตะสังขารรูปจิตเจตสิกนิพพานจิตไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่จิตถ้าทำถูกก็เป็นหนทางเดินเข้าสู่พระนิพพานทา น, นจิต ถ้าทําให้ถูกก็เป็นทางรองสู่นรกเหตุฉะนั้นจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกเนปพานนิพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนิพาผู้รู้ไม่ใช่พระ น, นิพานพระนิพานไม่ใช่ผู้รู้ฝากผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายนั่นสุดเนีตาวิโมกอันนี้มิตาวิโมกอภริเหตตาวิโมก ว, ว่างจนไม่มีที่หมายว่างจนไม่มีมิตนั่ สิ่งไหนที่ไม่มีใครไปยึดบั่นถือมันเมาเป็นตนตเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาสิ่งนั่นก็ว่างอยู่ตามธรรมาชาตินะเดี๋ยวเอาหนังสือให้แจกหนังสือกันเอา้เอาอว่างนะแต่ธรรมะทั้งหลายไม่มีเอวังความเกิดดับก็เกิดดับอย่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำที่ไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอย่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเอวังไ ม, ม่มีนิธี ต, ตัง แต่พวกเราสมมุติเทศก็ต้อง ว, ว่าเอวังว่านิธิตังเพราะมันจบไปเป็นบทบดไอ้ทีแท้ทำทั้งหลายมีอยู่ทุกการทุกเวลาทำไฟเกิดไยดับก็ไม่ลงธรรมาะมีอยู่ทุกการทุกเวลาทำไยไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ไม่ลงธรรมะทุกการทุกเวลาอีกเหมือนกันดอกบัวสี่เหล่าดอกตูมกดปีนตูมอยู่ไม่มีการไม่มีเวลาดอกบานก็บานอยู่ไม่มีการไม่มีเวลา ดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ําอยู่ไม่มีการไม่มีเวลาดอกใต้น้ําก็ใต้น้ําอยู่ไม่มีการไม่มีเวลาเต็มภูมิใต้หน้าก็ใต้น้ําเต็มภูมิตูมก็ตูมเต็มภูมิเสมอหน้ามก็เสมอน้ําเต็มภูมิบานก็บานเต็มภูมิดอกบัวสีเราไม่มีแต่ข้างพุทธการข้างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนั่นยินดีในพระเนปานชนะความยินดีทั้งปวงในโลกวัตถุนิยมเราก็ชมมาดีอยู่ แต่มันอยู่ใต้อู่ของอเนจังอาศัยพอได้ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ขเขเนียพานเท่านั้นวัตถุนิยมไม่ใช่จะเป็นเปรตมาเฝ้าอยู่ที่นี่ในวัตาะสองสารเนี่ยสิ่งเหล่านี้โอนเป็นขี้เทอาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักอย่าไปถือว่าเป็นของเราถือว่าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักอย่าไปถือว่าบูชาเจดิตของเราอันนี้ถ้าไปถือว่าเป็นของเราแมน้อยมันก็ขัดข้องมีมากมันก็จะติดอยู่ ถ้าถือกเป็นขี้เท่าพราะพุะทธปฏิธรรมประสงค์จะลงโกดเรื่องถูกไหมถ้าถือเป็นของคนนั้นคน น, นี้ก็ขี้หึงกันอยู่ในโลกนี่แหละว่ <c oughs> าคนเขาก็พูดว่าทําไมทํารู้หลามากเออรู้หลาหรือไม่รู้หลามันก็ทำบูมันก็ของพระพุทธประธรรมประสงค์ไม่ใช่ของเราหมดปัญหาเ่ย ข้างพุทธการอนาถาปินทิกระเศรษฐนะีสร้างวัดกระเป๋าเดียวสี่ิบ้าโกดกระเป๋าเดียวสี่บ้าโกดโกดหนึ่งมันก็มีสิบล้านสี่สิบ้าโกดเอาสิบไปคูณสี่บ้าดูดูสิบห้าห้าสิบทดห้าสิบสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้าสี่ร้อยห้าสิบล้านกระเป๋าเดียวนันะ นางวิสาขาสร้างวัดทางทิตตะวันตกเขียงเหนือบุพพารามคนเดียวยี่สิบเก้าโกดนางวิสาขาแต่พวกเราเราจะไปประมาณข้างพุทธการไม่ถูกข้างพุทธการพัฒนาทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคติด้วยวัตถุนิยมอุดมคติอย่างตามกอพระสวดาวันหนะักอย่างสูงก็พระรหันะพัฒนาทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคตินะ ซัพในไตโลกธาตเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาหมดโดยไม่รู้ตัวคําสอนใดๆในไตโลกธาตก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนอพุทธศาสนาหมดนั่นะักนะไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รูไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ทาไมถึงว่าอย่างนั้นเทียบอะไรเทียบกับเข็มคิดจะไม่กี่ด้านล่างก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดในไตโรกธาต หรือนอกโลกก็เป <Where i S 2> ็นเมืองขึ้นคําสอนของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกหรือวัตถุใดๆวัตถุนิยมก็ดีอุรมคติก็ดีสังหารนมทรัพก็ดีอาสังหารนมทรัพก็ดีเป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวนั่นเชื่อไปทางลึกซึ่งเพื่อให้คํานึงในหลายทางนับให้หนองคอเมืองบางต่างๆอะไรลงสู่มหาสมุทระโดยไม่รู้ตัวฉั้นใดคำสอนใดๆก็อะไรลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก น si lugar, ั่นไม่ข bueno, ึ <t S 1> ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้เขาฝ้าันจริงอยู่ก่อนท่านผู้รู้แล้วมันจริงอยู่ก่อนท่านผู้ไม่รู้แล้วนั่นเราพิจารณาดินดินจึงจะมีไม่ถูกมันมีอยู่ก่อนเรารู้แล้วมันมีดินอยู่เราจึงบัญญัติว่าดินได้ถ้าไม่มีดินอยู่ก่อนเราจะบัญญัติได้ทำไมพระบรมศาสดาก็บัญญัติมาบัญญัติตามของจริงที่มีอยู่เป็นผู้จาแนกทำไม่ใช่เป็นผู้แต่งทำ พระคาวาเป็นผู้จำแนกทำก็พระธรรมมีอยู่ก่อนพระบรมศาสตราจึงจำแนกได้ถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสตราก็ไม่จำแนกได้หรือจำแนกได้เหตุฉะนั้นพระบรมศาสตราจึงเขารกธรรมสัตธรรมโมคโรกาตัปโปควรเขารกพระสัตธรรมนะทีนี้เอาหนังสือมาแก้กันหิวข้าวไหมหิวอาหารไหม ไม่หิวพวกคนพวกคนโยมเหิวไหมฮะถ้าแม่ตายพวกนี้จึงทานพร้อมกันเนอะทานพร้อมกันเขาล้ปูล้งปูก็ทานวันเดียวเท่านั้นแหละพวกคนเอาเปียบลงปูเน่ะ ว, วันละสองข้างสามข้างเออไปเอาหนังสือทีนี่ พระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงคีบด้วยพระพุทธศาสนาพินาศลงชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็หมวนมอดม้วยสุดทินตระกูลพุทธใครรานใครลุกล้าวชาวพุทธผลของกรรมอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานแลนาพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วไส กฎหมายใดๆก็ตั้งไม่อยู่อู่ควงมธรรมไม่นำคำหนึ่งก็มดที่พึ่งพิงอิงอาศัยชาวไตรโลกาอย่าทำลายพระพุทธศาสนาเถิดถ้าอรัญญาวาสียังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงคีบด้วยถ้าอรัญญาวาสีพินาศลงคามวาสีจะอยู่ได้หรือนั่น ข้างพุทธการมีแต่วัดป่าเนคโคธารามก็เป็นวัดป่าเวโรวันสวนวิภัยก็เป็นวัดป่ากุฎาคารฝ่ามหาวันก็เป็นวัดป่าเชตตะวันมหาวิสาลก็เป็นวัดป่านัตถิวันสวนตาลหนุ่มก็เป็นวัดป่าไกลจากบ้านห้าร้อยขาธนูขาธนูหนึ่งสี่ศอกคูณกันเข้าก็เท่ากับว่ายี่สิบห้าเส้น น, นเป็นวัดป่าเต็มภูมิกุดาคารป่ามหาวันพระบรมศาจดาตัสรุที่ตำบลพุทธขยาประสูตรที่ป่าลมพินีวันปรงอายุสังขารที่เวรวันสวนไม้ไผ่สเสด็จเข้าสู่พระเานสารวนโนทยานทางที่ตะ ว, วันออกของเมืองกุสินารา ที่เรียกว่าป่าสาระแปลเป็นไทยก็ป่านา ง, างังป่ารังนั่นเองนักนั่งถ้าตัดป่าออกแล้วพระพุทธศาสนาก็ไม่ครบพระไตรปิฎกก็ไม่จบไม่ครบพระไตรปิฎกก็มีป่าแทรกอยู่เกือบทุกๆุกสูตรพระเวรไนก็เหมือนกันพระประมาทก็เหมือนกันใครบวชก็บวชกรรมฐาน มหานิกายก็บวกรรมฐ า, านพวกโยมก็เป็นกรรมฐ า, านเหมือนกันเกษาโลมานะขาดันตาตะโจเกษาผมโลมาขนละขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังอะไะขนาดนี้พอแล้วอที่นี้พวกคุณก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหมือนกันก็เรียกว่ากรรมฐ า, านทั้งนั้นแ่ะจะไ่เข้าใจว่ากรรมฐ า, านอยู่กับผ้ากรรมฐ า, านมันก็โหดตดย นั่นฐานะแปลว่าที่ตั้งของการทําความเพียรแก่เก็บตายเป็นกรรมฐานทางนั้นเกิดขึ้นเนแปรปวนแล้วแจกสลายก็เป็นกรรมฐานทางนั้นอันนี้จังทุกครั้งอนาตาก็เป็นกรรมฐานทางวิพัฒนากรรมฐานทางนั้นนั่นในใจโลกธาตุมีกรรมฐานทางนั้นล่ะสิ่งที่เป็นลูกก็เป็นรูกกรรมฐานสิ่งที่เป็นนามก็เป็นนามกรรมฐานนั่นฐานะแปลว่าที่ตั้งอยู่ของลูกเป็นที่ตั้งอยู่ของนาม พระอาหนุนประกาศทูลพระบรมศาลาพระองค์พระองค์กรรมาฐานที่ไม่มีรูปและอารูปคืออะไรมีอยู่ไหมหรือไม่พระเจ้าค่ะเออมีอยู่สินี่ลดความดับตัณหาเป็นธรรมอันละเอียดเป็นกรรมาฐานที่ไม่มีที่ตั้งนี่รดความดับทุกขคือดับความหลงของตนนั่นเองถ้าดับความหลงและทุกข์ก็ดับไปหมดณนะที่นั้นเอง อเวชาตันหาอเวชาสังขารวิญญาณนามรูปอรยตนะขัด ส, สะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชรามรณะโสกปฏิเทวทุกโทธนั้นอุปายาก็ดับไปนะัทเทนั้นเองวิญญาณดับไปก่อนนามรูปจึงดับไปนะัทเทนั้นเองเนัรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวสิ่งไหนสิ่งนั้นมันก็ดับไปแล้ว อละเลผู้พูดก็พอพูดผู้ยังไม่สงนามก็มี <c oughs> ที่นี้พระพระไปสง่ า, า, าเอาผ้าเอาผ้าของของเราเราทำผ้าอาบผ้าสงไปสักสองสามผืนไป